โอวาทข้อที่2วิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคจุนชิว227ปีก่อนปีพุทธศักราชถึงปีพุทธศักราชที่67เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์โจเสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อยต่างแข่งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีนในยุคนี้เสื่อมทรามโหดเหี้ยมมากลูกข้าพ่อขุนนางข้าฮ่องเต นักปราดท่านคงจื้อก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึง น, นําหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแคว้นรูมาแก้ไขปรับปรงุงเสใหม่ส่วนที่ดีให้คงไว้ส่วนที่ขาดให้เพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวอย่างละเอียดล อ, อเผื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นํามาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางสมัยนั้นช่างดูคน สังเกตจากกริยาวาจา ก, ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมขุนนางในสมัยนั้นจึงมักนำบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพ่อจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโบ ร, ร, ราณห่างจากยุคเราเกือบส0มพันปีก็ตามแต่ลูกก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเหลือลน้นนอกจากเล่มนี้แล้ว ก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะเวลา 3,000 ปีนี้ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักนำส่วนดีของอดีตมาสร้างเสริมชีวิตอนาคตของลูกเองให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลธรรมหลุดพ้นจากความเป็นบุตรชนได้ในที่สุดธรรมดานิมิตหรือลางสังหรณ์นั้นมักจะเกิดจากทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอริยบท บุคลิกลักษณะที่เปรียบประดุจกระจกเงาใชใ้เห็นบุญวาสนาหรืเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นๆจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการาคาดเคเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ่งนักหากเราเอาอย่างธรรมชาติได้จิตใจของเรานี้ก็จะผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติซึ่งก็คือฟ้าดินนั่นเองฉะนั้น ลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆว่าเขาชอบทำกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเขาชอบทำแต่กรรมดีทำได้ครบตามมาตรการและสูงถึงมาตรฐานแล้วไซสก็จงมั่นใจเถิดว่าเขาจะต้องได้รับผลดีแน่แต่ถ้าเขาชอบทำแต่กรรมชั่วลูกก็จงแน่ใจเถิดว่าเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนหากลูกต้องการความสุขและห่างไกลความทุกข์ ลูกจะต้องรู้จักวิธีแก้ไขความผิดพลาดของตนเองเสียก่อนดังนี้ข้อหนึ่งลูกจะต้องมีความระยต่อการทำชั่วไม่ไว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกลองนึกดูสิว่านักปราชญ์แต่ครั้งโบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามสอกเช่นลูกนี้แต่ชะไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพ บ, บูชาเป็นปูชนียบุคคล แม้การเวลาได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ะตามส่วนลูกนั้นเรายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสียเส่ยงเสี่ยงในชีวิตยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารได้ปรากฏเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกมัวหลงระเริงอยู่กับความสุขทั้งโลกเหมือนภักขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนเสร็แล้วย่อมหมดความบริสุทธิ์ผุดพองมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ร่วงรู้ ต่อไปก็ยิ่งเหมิมเกิมทำผิดมากขึ้นทุกทีโดยไม่มีความละอายต่อบาปลงท้ายกเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่ในโลกนี้จะมีอะไรอีกเล่าที่จะน่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วนักปราชญท่านมึงจือได้กล่าวไว้ว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปรัชญา ผู้ใดไม่ได้มีไว้ย่อมเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจะต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลกรรมข้อนี้ก่อนข้อ 2. ลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพยาดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณรว่นมีร่างโปร่งแสงมีอยู่เกลื่อนกลาดทุกหนทุกแห่งซึ่งในตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ ผีสางเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกก็จะต้องได้รับเคาะกรรมไม่เบาทีเดียวล่ะถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อยก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันน้อยลงทันทีลูกจะไม่กลัวได้หรือไม่เพียงเท่านั้นลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงใดแต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้แต่ในตัวลูกมิใส้กีขด ท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทารุปปุโปรงอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้ลูกยังจะไม่กลกรยหรือไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังมีลมหายใจอยู่แม้จะทาความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสำนึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีการก่อน มีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทำแต่ความชั่วคันพอใกล้าตายได้สานึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักความผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทำให้จิตที่เกิดจากจิตขณะสุดท้ายหรือจุติดจิตได้ปฏิสนธิในสุขติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุกติภพอย่างวุดวิดและเมื่อเขาได้ไปสู่สุขติภพเสียก่อนแล้ว จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัใจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กรรมหนักจักติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดมิดมานานให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียว ฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานหรือเพิ่งกระทำขอให้รู้สํานึกและแก้ไขเสร็จทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุกขติภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจดจําไว้ให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะกระทําผิดบ่อยๆอย่างนึกว่าวันนี้เราทําผิดแค่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทําอีกก็แล้วกัน ถ้าคิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพ่อมสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดแล้วยังจงใจทําเป็นมนโนกรรมที่มีโทษหนะักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ใครจะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยลมหายใจถ้าลูกขาดหายใจเพียงครั้งเดียว ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของลูกเสร็จแล้วทุกสิ่งลูกก็นำติดตัวไปด้วยไม่ได้เพราะทุกสิ่งเป็นรูปธรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปธรรมได้ชั่วนิรันด์สิ่งที่ติดตามลูกไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นอันเป็นนามธรรม ท, ท, ที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากทำกรรมชั่วบุญยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดี เป็นร้อยเป็นพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้หากกรรมหนักไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องตกนรกบกไหมทนทุกทรมานไปชั่วกับชั่วกันแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดไม่ได้เพราะผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกยังไม่กลัวได้หรือข้อส ลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเองมีกําลังที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ทําบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆเปรียบประดุดน้ตำตําอยู่ในเนื้อเถารีบเร่งบ่งออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงขบกัดเอาที่นิ้วถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้ง ผิดก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ง่ายๆลูกจึงต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ไขตรงนั้นทันทีอย่ารีรอรังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาป๋ากว่าที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเยือกเย็ยนของน้า ความกึกก้องของเสียงฟ้าร้องความแรงกล้าของลมความมั่นคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายถานแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติ8ประการนี้ต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกันในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็เป็นปัจจัยให้ฟ้าร้องไก่ดังยิ่งขึ้นฟ้าก็จะช่วยลมให้มีกำลังพัดรุนแรงขึ้น ตัวอย่างเหล่านี้ถ้าลุกศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะสามารถนําวิชาป้อยขวายนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเองความผิดถูกความชั่วดีล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันเมื่อรู้ว่าผิดรีบแก้ไขเสียความถูกก็จะกลับคืนมาเมื่อทำความดีอยู่ความชั่วไหนเลยจะมากล้ากลาย ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้นจงจำไว้ฮิลิโอตั ป, ปะเมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วไซความผิดนั้นก็ยอมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุดสายน้ำที่รวมตัวกันเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ผริ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมจะละลายกลายเป็นน้ำดั่งเดิมแต่ความผิดของมนุษย์นั้นไม่ง่ายดังว่าไปเสียทั้งหมดบางสิ่งต้องแก้ที่เหตุการ์บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผลบางสิ่งต้องแก้ที่ใจวิธีการแก้ไขย่อมแตกต่างกันออกไปผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันลูกจงฟังให้ดีเช่นเมื่อวานนี้เราฆ่าสัต์ วันนี้เราตั้งใจไม่ค่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเราโกรธลุสวาทไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงคิดได้ซึ่งไม่ค่อยได้ผลเพียงระงับได้ชั่วคราวเผอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีกการแก้ไขจริงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นคือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อน เช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉะนั้นจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวเราถ้ามีใครทำกับเราแบบนี้บ้างลูกจะยอมหรืออันหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนำสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆกว่าจะตายก็แสบร้อนไปทุกกุมขน แม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์อริดอร่อยเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ท้องเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิกูลต่อไปถ้าเราบริโภคแต่พืชผักผลไม้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเช่นกันไม่เดือดร้อนอะไรฉนนัยจึงต้องไปทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอิ่มเพียงชั่วยามแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้นโดยเรา ชีวิตที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อย่าสร้างความเกลียดแค้นชิงชังจนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าลูกคิดได้ช น, นิดแล้วลูกก็จะคืนเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณการนายกหินใหม่ เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาและทรงปีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตีสุนก่อนเสวยราชโดยราชรพร้อมใจกันเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระหว่างที่ทำนาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยทันไถนามีนกมาช่วยทันถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันภาพชนนี้หาดูไม่ได้แล้วเพราะมนุษย์ขาดความเมตตากรุณาอย่างจริงใจนั่นเอง เรื่องความโกรธก็เช่นกันถ้าเรารู้จักคิดสักนิดว่าคนนั้นแตกต่างกันทั้งนิสัยและสติปัญญาภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางอย่างเขาสู้เราไม่ได้บางอย่างเราสู้เขาไม่ได้เมื่อเขาพลาดพังไปก็้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความโง่เขาเบาปัญญาน่าเห็นใจมากกว่าน่าให้อภัยมากกว่า ถึงแม้เขาจะให้ร้ายเราก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดเองเราไม่เดือดร้อนนักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำความผิดคนที่อวดดีอวดวิเศษนั้นหาใช่ปรารถที่แท้จริงไม่คนที่มีความรู้สมเป็นนักปราดนนั้นท่านมักถ่อมตนคอยจับผิดตนเองไม่กล้าโกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่น คอยสำรวจตนเองว่าได้ล่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่คนล่วงเกินตนก็จะถามตนเสียก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เราหมัวคิดเสียเช่นนี้เราก็ไม่ทันได้โกรธผู้อื่นยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่า ไม่เคยล่วงเกินไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ใครทำไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ด้วยความยินดีจิตใจไม่ขุนมัวจากมีความโกรธมาแต่ไหนถ้ามีคนนินทาว่าร้ายลูกลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่า เหมือนคนจุดกองไฟเผาฟ้าแม้กองไฟจะใหญ่มื่มาเพียงใดแต่ฟ้านั้นว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้กองไฟจะลุกชดช่วงเพียงใดก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุดคนที่ว่าร้ายลูกเห็นลูกอยู่ในความสงบไม่โกรธตอบไม่โตตอบเขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันเพราะการดินทาว่าร้ายนั้นเหมือนนำสีไปไป้ายภูเขา ผ่านนั้นย่อมยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างใดก็ไม่สามารถโตแย้งให้ขาวกระจ่างได้เปรียบประดุดตัวไหมในรูไม้ไม้ปริหลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งกระดกกระดิกมากเท่าไรใหย่ยไหมก็ยิ่งมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามิคุณไม่ถ้าลูกสามารถใช้เหตุผลใคร่ครวญดูแล้วทุกสิ่งก็ไม่น่าโกรธความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลย การแก้ไขที่ใจวิธีแก้ไขความผิดพลาด ท, ที่พูดไปแล้วแก้ไขเมื่อเกิดความผิดขึ้นแล้วและแก้ไขเมื่อยังไม่ได้ทําความผิดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแก้ไขที่ใจนั่นเองโบราณท่านว่าไว้กิเลสพันหตัณหาร้อก็ล้วนเกิดขึ้นที่ใจทั้งสิ้นถ้าเราห้ามใจไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาได้ความผิดใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น ดุดดังดวงตะวันสาดแสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปีศาจก็ยังต้องหลบๆ่บ้นๆไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านเปรียบได้กับการโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษลูกจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิน้นไม่ใช่ค่อยๆลิกกิ่งปลิดใบซึ่งไม่ทันการสรุปแล้วการแก้ทิ่ใจจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ุดพองได้อย่างแท้จริงเพียงเกิดความรู้สึกว่าจะทำผิด ก็จะรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วด้วยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งชั่งใจที่ต้องอบรมบ่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องว่าคราใดที่จะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะจะควรถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันการแล้วลูกก็จะต้องตกอยู่ในความโง่ต่อไปไม่มีทางได้ดี การตั้งบณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดีการอธิษฐานจิตอยู่บ่อยๆตลอดคืนก็ดีล้นวนแต่จะช่วยกระชับความหนักแน่นให้แก่ลูกนอกจากนี้ยังต้องมีกาลยานมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือนมีผีสางเทวดาคอยช่วยดนใจจิตใจของลูกต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพียงสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์อย่างช้าก็ไม่เกิน3มเดือน ย่อมปรากฏผลอย่างแน่นอน